ถ้าท่านประกอบอาหารและกลิ่นอาหารนั้นโชยมากระทบคาณประสาทของขพเจ้าขาพเจ้าพอใจในกลิ่นนั้นท่านยังจะเล็งเห็นว่าขาพเจ้าขโมยกลิ่นอาหารของท่านหรือขณะนั้นชายคนหนึ่งลงสู่สะถอนเง่าบัวเด็ดดอกบัวเดสานั้นตามใจชอบแล้วหลีกไปเมื่อนีหนุ่มเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเทพธิดาว่ามีคนมาเด็ดดอกบัวถอนเง่าบัวไป